นะโมตัสสะบริขวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบริขวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบรวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส ข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระรยสงเป็นที่พึ่งข้าพระเจ้าขอากราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสละสั่งสมบารมีสามสิบทัดเพื่อประกาศธรรมนำเวณนยศาสต ร, ร์ออกจากวัตถุทุกข์ข้าพระเจ้าขอบูชา พุทธยานสิบสี่เวณิกธรรม 18, สิบแปดทศพลยานสิบเวสารัชยานสี่อสาาธรารณญยานหกมีสัพพัญยุตยานเป็นต้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอบูชาสมาบัตสองล้านสี่แสนโกฎสมาบัตที่พระองค์ทรงใช้สอยในวันมหาปรินิพานนี้ข้าพเจ้าขอบูชาถวายสการะเหล่านี้ เพื่อบูชาสมาบัติสองล้านสี่แสนโกศสมาบัติที่พระองค์ทรงใช้สอยก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยเครื่องสกาละเหล่านี้ข้าพเจ้าขอบูชาสถูปที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาขอบูชาพระพุทธปฏิมาที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปรางเสด็จดับขันธปรินิพันที่ปฏิสถาน อยู่ในสถูปเหล่านี้ล่องลอยเหล่าใดที่พระศาสดาทรงใช้สอยในวันเสด็จดับขันธปรินิพานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระคุณของพระศาสดาอันหาที่สุดถ้าประมาณมิได้ ข้าพเจ้าจากประพฤติในศีลในสมาธิในปัญญาข้าพเจ้าจะตั้งศรัทธาไม่หวั่นไหวจะตั้งวิริยะอย่างแรงกล้าจะตั้งสติอย่างมั่นคงจะตั้งสมาธิอย่างแข็งแรงและเป็นผู้มีปัญญามุ่งมั่น เพื่อจะได้ตระหนักนึกถึงคุณของพระศาสดาซึ่งมีแก่ข้าพเจ้าจนหาประมาณมิได้ข้าพเจ้าได้มาพบพระธรรมของพระศาสดานับว่าเป็นบุญยราบของข้าพเจ้าอันประเสริฐอย่างยิ่ง ขอพระธรรมคําสอนที่พระบรมศาสดาพร่ำสอน45ปีจงลาดรถกระแสของชีวิตของข้าพระเจ้าให้ได้มีโอกาสได้ดื่มด่ำรสพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ขอให้ข้าพระเจ้าได้มีโอกาสเข้าถึงของพระธรรมของพระศาสดาตั้งแต่สารณะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะอย่างมั่นคงไม่วันไหวด้วยใจศรัทธามุ่ง ม, มั่นด้วยความเด็ดเดี่ยว ด้วยความตั้งมั่นขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสดื่มรสแห่งพระธรรมเพื่อขจัดบาปในใจในกระแสจใจ ข, ของข้าพเจ้าซึ่งหมักหมมมาอย่างยาวนานตลอดสังสารวัฏอันหาที่สุดไม่ได้มาในปัจจุบันชาตินี้ ได้มีโอกาสเดินตามรอยบาทของพระศาสดานับว่าเป็นบุญยร า, าบของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ชีวิตของข้าพเจ้าไม่ดับดิ้นไปก่อนได้มีโอกาสนำสลีละอันไม่มีสาระ แห่งความงามเหล่านี้เอามาตั้งเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาซึ่งมีพระคุณแก่ข้าพระเจ้าอันหาประมาณไม่ได้ข้าพระเจ้าจะจากบ้านสู่บ้าน จากเมืองสู่เมืองเพื่อนมัส ก, การความตัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นพระธรรมดีของพระธรรมความเป็นผู้ปฏิบัติดีของภริยสงฆ์ข้าพระเจ้าไม่ได้เพาะภาาสดาอย่างยาวนาน ในสังสารวัตรที่ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นผู้อนาถาไล้ที่พึ่งมาอย่างยาวไกลไม่มีเครื่องกำจัดภัยไม่มีเครื่องระลึกถึงอย่างยาวนานเป็นคนอนาถาเพราะต้องเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัฏอย่างยาวนานบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระศาสดาในพระธรรมของพระศาสดาในการเดินตามพระอริยสงฆ์ ถ้าพระเจ้าจะตัดสินใจเชื่ออย่างมั่นคงด้วยการครบพระพุทธเจ้าคบสาวกของพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระาศาสด า, พสาเพื่อให้เกิดโยนิโสมนสิการคือเป็นผู้ฉลาดคิดคิดถูกทางคิดถูกอุบาย คิดถูกวิธีเพื่อจะทำให้เกิดศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระศาสดาจะพยายามประคับประคองศรัทธาประคับประคองความเพียรที่มั่นคงประคับประคองสติที่แรงกล้าสมาธิที่ตั้งมั่น ปัญญาที่มั่นคงเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระศาสดาให้ได้วันนี้ข้าพระเจ้าได้นำขันธพาละคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับดอกไม้ทูปเทียนเหล่านี้ เพื่อมาเข้าถึงพระศาสดาต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในศีลสมาธิปัญญาจะรักษาศีลไม่เห็นแก่ลาบสการะไม่เห็นแก่ญาติพี่น้อง ไม่เห็นแก่อวัยวะไม่เห็นแก่ชีวิตจะมีศีลสมาธิปัญญาที่มั่นคงเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นแล้วชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะแตกดับไปในเวลาไหนก็ไม่ทราบ แต่ศีลสมาธิปัญญาที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้จักเป็นกุศละกรรมตามหล่อเลี้ยงรักษากระแสะขันกระแสะชีวิตของข้าพระเจ้าไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะได้พระนิพพาน ตามที่พระบรมศา ส, สดาทรงประกาศไว้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าถวายสการะบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏบิบัติบูชาอันนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าได้ครบกรลยานมิตร และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมปังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุการเยนวาจายวเจตสาหัวพุทเทกุกามังปะกตังมยายังพุทโธปริคการนะตุจียานตังการันตเรสังเวริทุงวพุทเถการเยนว่าจายวเจตสาหัวดัมเมกุกามังปะกตังมยายังทัมโมปิการนะตุอจียานตังการันตเรสังเวริทุงวดัมเม การมิอุตกรยาเยาเจสาวาสังเชกุกามังปกตังมยาหยังสังโคปิการหนาตัวอจิยันตังการันตรสังเวทตุงวสังเีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพธธระทัฏฐานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงพร้อมในวิชาและเจรณญผู้ไปแล้วด้วยดีผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมผู้มีความจำเริญมจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ขอนอบน้อมแด่พระตถาคตผู้ฝึกตนด้วยสัจจะผู้ประกอบด้วยการฝุกปีนสีทรงถึงที่สุดแห่งเวทผู้อยู่จบซึ่งอริยมรรคประมามจันสรารกรามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดมั่นอะไรอะไรด้วยตัณหาทิฏฐิเที่ยวไปมีตนสังวรดีแล้วเหมือนกระสวยที่ไปตรง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระตถาคตผู้ปราศจากราคะทรงมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีหลุดพ้นแล้วจากการจับต้องของกิเลสเปล่งตังอยู่ด้วยเหมือนพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากการเบียดเบียนของราหูสว่างสวายอยู่เช่นนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระตถาคตผู้ละกามทั้งหลายได้แล้วทรงครอบงำกามทั้งหลายเที่ยวไปทรงรู้ที่สุดแห่งชาติ และมรณะกาวคือพระนิพพานทรงดับความเร่าร้อนได้แล้วเป็นผู้เยือกเย็นประดุดพ่วงน้ำผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้ า, าทั้งหลายผู้ทรงอยู่ห่างไกลจากผู้ไม่เสมอทั้งหลายบุคคลผู้มีทุจริตทางกายทางวาจาทางใจคือบุคคลผู้ไม่สามารถเสมอพระบรมศาสด า, าได้ผู้มีปัญญาไม่มีที่สุด ผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระตถาคตผู้ทรงเป็นพรามไม่มีมายาไม่มีมานะปราศจากความโลภไม่ยึดมั่นในสัตว์และสังขารว่าเป็นของเราบรรเทาความโกรธได้แล้วทรงดับความหวังได้แล้วมีตนดับความเร่าร้อนสิ้นเชิงทรงละมุนทินคือความโศกเสียได้ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระตถาคต ผู้ระตัณหาและทิฏฐิที่อยู่ประจำใจได้แล้วไม่มีตัณหาและทิฏฐิอะไรๆ ไ, ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเที่ยงเป็นต้นในโลกนี้และในโลกอื่นผู้ทรงมีจิตตั้งมั่นข้ามโอคะได้แล้วทรงรู้สปปรรพสิ่งด้วยสรรพยุตยานมีอาสวะสิ้นแล้วทรงไว้แล้วซึ่งกายอันไม่มีที่สุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระตถาคต ผู้ทรงกำจัดภวาสวะและวาจาอยากขายได้แล้วทำให้สิ้นสุดสิ้นศูนย์ไม่มีอยู่เป็นผู้ถึงเวททรงพ้นวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ล่วงกิเลสเครื่องคล่องไม่มีธรรมเป็นเครื่องติดข้องไม่ทรงเป็นผู้มีมานะในเหล่าสัตว์ผู้มีมานะทรงกาหนดรอบรู้ทุกพร้อมทั้งสภาพธรรมต่างๆได้หมดสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระรถาคตผู้ไม่มีอาสัยตัญหามีปกติเห็นพระนิพพานทรงก้าวร่วงมิจฉาทิฐิที่จะพึงให้ผู้อื่นรู้ไม่มีอารมณ์คือตัญหาอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดในภพใหม่ผู้แทงตลอดธรรมทั้งภายในและภายนอกแล้วทรงกำจัดฉันทราคะถึงความสูญสิ้นได้โดยไม่มีเป็นผู้สงบแล้วทรงนอบน้อมในพระนิพพานอันเป็นธรรมที่สิ้นอุปาทาน ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพรัตถาคตผู้เห็นที่สุดคือพระนิพพานอันเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งชาติทรงบรรเทาสังโยต์อันเป็นทางแห่งราคะด้วยอริมารคโดยไม่มีส่วนเหลือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษทรงปราศจากมณฑิ น, นไม่มีความใคร่พุม่มไม่พิจารณาเห็นตนใยความเป็นอัตตาทรงมีจิตตั้งมั่นปฏิบัติตรงดำรงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงใจไม่มีความสงสยัย ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธาคตผู้ไม่มีปัจจัยอะไรอะไรแห่งโมหะทรงเห็นสัพพันยุตญาณในธรรมทั้งปวงทรงไว้แล้วซึ่งที่สุดแห่งสรีละสุดท้ายทรงบรรลุโพธิญาณันยอดเยี่ยมอันกเกษมพระธถาคตผู้ทรงพระคุณเช่นนี้จึงเป็นผู้ควรส ก, การาบบูชาสาธุสาธุสาธุ อิติปิโสภะคะวะราหังสามบุตรวิจารณาธรรมโนสุขตโรกาวิดูอนุตว่ามนุษสานังพุทธบกัตวติ สวากาโตมะขาวตาดามสันเดติโกอาาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกภาจจังเวทิตาโอวินยูยติ สุปาติปันโนบาคาวะโตสาว a กะจังโ u วุจุปาติปันโนบาคาวะโตสาวะกะจังโกญาญ a ปาติปันโนบาคาวะโตสาวะกะจังโกสามีจิปาติปันโน มาคาวโตสาวกสังโกญาติทางจัจจาริโุเรสายุคาโุริสัปุการาสะภาคาวโตสาวกสังโกอาวุเนโยวุเนโยนาคินย อัญญริกาณิโยอนุตตรังปุญญาตังโลกาสัติอิปโสมะควาระหังสัมมาสัมพุทเวจารานาสัมปันโน คาโตโรคาวิโดคนะตารปุริสัจามาสาระติสาวามานุสานังพุทธมาคาวาติสวะคาโตะคาวาตาดามจันเดนิกุอากาลิก เอหิปัสสโกโอปนายโกจาตังเวทิตาเวิยนยติสุปฏิปันโนทวตโตสาวะกสจังโกอุจุปฏิปันโนภควะโตสาวะกสจังโก ญาญปฏิป e, ah ah ันโนทวตวตาสวะสังโฆญาดีดังจักตาปุริสยุคานิอาตาปุริสปุกคาราเอสัมบากวะโตสวะกาสังโฆอาหูเนโยป a หูเน ดกิเนยโยอันเจริกรโยอนุตตังพุังโรกาสติทิปิโสภะกะวะระหังมาสมบุนโดวชจาราสามปันโน โตกโตโลคาวิดุอนุตรอปุริสัตถมสารดิจจเดงว่ามนุษย์นังด้อมภาคาวัติสวัคโตคาวตาดัมโมจันติ อากาลิกอเอปัสโกโอปนาเยโกปะจัจังเวตัมโมวิญโยอิทิสุปฏิปันโนวาตวะสาวกะสังโฆโมจุปปิปันโนมะกะวต สังโฆยมีจิปฏิปันมาก a วโตสาวะกัสังโฆญดีทางจัดริโริายุคานิอาริสะปุกะลาเอสัมบากวโตสาวกัสังโฆอ ปัญโหนกายนะการมาตาบาลังัมปันโนมิตามัยตรีการุณายุติเก้าเป็ตาบาลัมีสามัญมติปิโสมาคาว าปรสัมปันโนสิระอุปปารสัมปันโนสิระปารมัตาปารสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณา เนคามปาลามจัมปนโนอิเตปโซมากาวเนคามมาปารามิโนเนคามมาอุปาปารามิตนโนเนคามมา ปาลามะตาปาลามิปันโนเมตตาไมตรีการุณาอุเบกขาปาลามิสามปันอิเตปิสมะขวาปันยาปาลามิ บันโนปัญญาอุปปาละมิโนปัญญาปรมตตาปาลมโนเมตตาไมตริกรุณาอุเบขาล อิเตปสุมาคะวัสวิริยาปารามิวิริยาอุปปารามิปันโนวิริยาปรมะตาปารามิโนเมตตาไมตรี การุณามุติตาอุเปกามิสามปันอิเิปิโสมะข่าวคันติรามิสามปันโนันติอุปปารามิสามปัน